บทภาชณีติกปะปาจิตตีห้าร้อ4เวลาวิการภิกษุสำคัญว่าเป็นเวลาวิการไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้นเวลาวิการภิกษุไม่แน่ใจไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านต้องอบัตตปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนทีนสส่สมควรเวลาวิการภิกษุสาคัญว่าเป็นการ ไม่บอกลายภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าโมูบ้านต้องอบัติปาจิตติเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนที่สมควรทุกกดการภิกษุสาคัญว่าเป็นเวลาวิการต้องอบัติทุกกดการภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกดการภิกษุสาคัญว่าเป็นการไม่ต้องอบัติ